เหตุพระบัญญัติพระวินัยนั้นไม่ได้ทรงวางไว้ล่วงหน้าค่อยมีมาโดยลําดับตามเหตุอันเกิดขึ้นซึ่งเรียกว่านิทานบ้างประการบ้างเมื่อใดความเสียหายเกิดขึ้นเพราะภิกษุรูปใดรูปหนึ่งทําอย่างใดอย่างหนึ่งลงเมื่อนั้นพระองค์จึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามความประพฤติเช่นนั้นเป็นอย่างอย่างไป เป็นพระธนิยะถือเอาพระวาจาของพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเปล่งตามพระราชประเพณีเมื่อครั้งราชาพิเศษว่าหญ้าไม้และน้ำเราให้แก่พวกสมณพราหมณ์ละดังนี้เป็นเลธถือเอาไม้หลวงไปทำกุฏิด้วยอ้างว่าได้รับพระราชทานเมื่อเกิดเหตุนี้ขึ้นจึงทรงตั้งพระบัญญัติห้ามอธินาทานแม้อภิสมาจารย์ ก็ทรงวางไว้โดยในยะนั้นรันตั้งพระบัญญัติขึ้นแล้วแต่ยังไม่เหมาะด้วยประการใดประการหนึ่งคือยังหลวมอยู่ไม่พอจะห้ามความเสียหายนั้นได้ขาดเช่นนี้ทรงบัญญัติซ้ารัดเข้าอีกเช่นทรงตั้งพระบัญญัติห้ามไม่ให้ล้างผลานชีวิตมนุษย์ยังไม่พอจะให้เข้าใจว่าทรงห้ามตลอดถึงพันานาคุณแห่งความตายหรือยังให้เขาฆ่าตัวเสเอง จึงทรงบัญญัติซ้ำเติมความข้อนั้นเข้าด้วยหรือตึงนเกินไปเช่นนี้ทรงบัญญัติซ้ำผ่อนให้เบาลงเช่นทรงตั้งพระบัญญัติห้าไม่ให้อวดอุตริมนุสธรรมอันไม่มีจริงข้อนี้กินความกว้างไปถึงการอวดด้วยสำคัญว่าได้บรรลุแต่เป็นคนที่ไม่มีจริงจึงทรงบัญญัติซ้ายกผู้พูดด้วยสำคัญผิดดังนั้นเสีย ไม่ให้ต้องอาบัิพระบัญญัติที่ทรงตั้งไว้แล้วแม้ไม่เป็นไปสะดวกก็ไม่ทรงถอนเสียทีเดียวคงเพิ่มอนุบัญญัติดัดแปลงไปเช่นนี้บางทีจนเสียความมุ่งหมายเดิมก็มีเช่นทรงตั้งพระบัญญัติห้ามไม่ให้นอนด้วยอนุปสมบันเพื่อจกกัดการชาวบ้านไม่ให้เห็นอาการวิปลาสของภิกษุในเวลานอนหลับ เมื่อมีสามนเณรขึ้นสามนเณรก็จัดว่าเป็นอนุปสัมบัตไม่มีที่อยู่จึงทรงผ่อนให้นอนด้วยกันได้ไม่เกินสามคืนคราวนี้ก็นอนกับชาวบ้านได้เหมือนกันข้อที่ทรงตั้งไว้เดิมเรียกว่ามูลบัญญัติข้อที่ทรงตั้งเพิ่มเติมทีหลังเรียกว่าอนุบัญญัติรวมมูลบัญญัติ และอนุบัญญัติเข้าด้วยกันเรียกว่าสิกขาบทสิกขาบทอันหนึ่งมีหลายอนุบัญญัติก็มีเช่นสิกขาบทปรารบคณะโพชนะคือรับนิมนต์ออกชื่อของกินแล้วรวมกันชั้นเป็นหมู่ส่งผ่อนให้ตามกล่าวในเวลาเจ็บในฤดูจีวรในเวลาทาจีวรในเวลาเดินทางบกทางเรือในก่าวอัตคัด ในกลาวนิมนต์ของพวกสมณะด้วยกันเมื่อเหตุเกิดขึ้นแล้วจะทรงตั้งพระบัญญัตินั้นตรัสสั่งให้ประชุมสงฆ์ตรัสถามภิกษุผู้ก่อเหตุให้ทูลรับแล้วทรงชี้โทษแห่งการประพฤติเช่นนั้นและอานิสง์แห่งความสำรวมแล้วจึงทรงตั้งพระบัญญตัติห้ามไม่ให้ภิกษุทำอย่างนั้นอีกต่อไปวางโทษคือปรับอาบัติไว้หนักบ้างเบาบ้าง